มาทบทวนในครั้งหนึ่งนะว่าธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคาว่าบ่มโพธิญาณ น, นั้นอ่ะเราจะเข้าใจคําว่าบ่มเนี่ยนะก็คือเข้าใจคําว่าภาวนานั่นเองคําว่าบ่มกับคำว่าภาวนาคําว่าเจริญนะั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันการบ่มการเจริญเนี่ยนะมีอยู่สี่ประการด้วยกันข้อแรกก็คือสภะสัมภาระหมายคือว่าเป็นการกระทําทุกอย่างทุกประการ ข้อที่สองก็นิรันตระสืบเนื่องกันไปสามก็จิระกาละใช้เวลาที่เนิ่นนานสั ก, กะจะ ก, ก็คือทำด้วยความเคารพนะทด้วยความเคารพปันการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำอย่างความเคารพจริงๆตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความตั้งใจแล้วก็บำเพ็ญบุญบารมีทั้งทั้งหมดเลยในหน้า3 7เนี่ยนะเน้นถึงว่า พอพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในกรรมเป็นต้นหมายความว่าพอถึงได้รับการชำนาญ่ะเมื่อนั้นการเคลื่อนไหวการกระทําของท่านเนี่ยจะติดต่อกันในโพธิสมภารเป็นการกระทําอย่างสมบูรณ์จริงๆทำโดยที่ไม่มีขอบเขตนะคือหลังจากที่ท่านประมวลท่านทท่านประมวลท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วนะท่านจะทาทุกอย่างอย่างไม่มีขอบเขต ทำทั้งหมดทําด้วยความเคารพตลอดสืบเนื่องกันไปนั้นก็เลยอธิบายว่าท่านเนี่ยทำบารมีทั้งหมดทําด้วยเวลาที่เนิ่นนานทําอย่างสืบเนื่องทําด้วยความเคารพการประพฤติทั้งหมดของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโพธิสมภารโพธิจริยาอักขยานบารมีที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันเราจะใช้คําว่าความประพฤติก็ได้ใช้คําว่าโพธิสมภารก็ได้โพธิจริยาก็ได้ อัคคระยานก็ได้บารมีก็ได้หน้าสาสิบเ็ดยอดหน้านะตรงกลางอ่ะว่านะความประพฤติเรียกวจริยาก็ได้โพธิสมภารก็ได้โพธิจริยาอัคคระยานบารมีคำพูดเหล่านี้ต่างกันแค่พยัญชนะเนื้อหาสาระเหมือนเดิมเนี่ยขั้นการประพฤตินั้นอ่ะจริยาในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่หมายถึง อะไรทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับบรารมีทั้งสิบนั้นจะอยู่ในปกินกะคือท้ายเล่มนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงพระจริยานในภูมิของพระโพธิสัตว์ของพระองค์ในอดีตนะนะโดยไม่ไม่แตกต่างกันไปไม่วิเศษคือไม่แตกต่าง ทุกอย่างเหล่านั้นที่ทำเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเริ่มเมื่อไรตรงนี้นับตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นพระสุมเมตรนะเป็นสุมเมศเพื่อจะแสดงถึงความที่พระจริยานั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการถึงความยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงประกาศปบพระจริยาเล็กๆน้อยๆเฉพาะในกลับนี้เท่านั้นโดยจาแนก ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสี่อสงไข่เก้ากับการกระทําเหล่านั้นทั้งหมดถือว่าพูดสรุปแต่เอามาเป็นตัวอย่างเล็กน้อยอนะลดว่ volume, ุ่มนิดนึงตัวอย่างที่เอามากล่าวในครั้งนี้เนี่ยนะที่อยู่ในที่เราเรียนกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองทําไมจึงเรียกว่าเล็กน้อยอ่ะ ก็เศษเสี่ยวมานิดเดียวอะนะท่นก็เลยยกเฉพาะในมหากรัมนี้เท่านั้นเห็นไหมกัมนี้เท่านั้นในภพเพราที่บอกว่าละพูดไม่พูดถึงความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่นะภพเล็กภพน้อยภพเลวภพประณีษฐภพอื่นๆไม่ไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะในภพนี้เท่านั้นเห็นไะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะในเรื่องแรกคืออกิจติ คือความประพฤติของท่านอากิติยกมาเป็นตัวอย่างอันนี้เริ่มเข้าตัวอย่างที่หนึ่งนะที่ผ่านมาก็คือลักษณะอะไรนะอารัมพบทเท่านั้นเองอันนะัในหน้า39มสิบเก้าอกิตกต์กิริยาที่หนึ่งว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพพจริยาของพระองค์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านพระเสแก่ท่านพระสารีบุตร และแก่บริษัทพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำไหนล่ะเป็นคำที่เชิญชวนให้เกิดการฟังคำไหนเป็นคำที่ทำให้เกิดความภาคเพียรพยายามก็คือคำว่าในสี่อสงไขยแสนกับความประพฤตใดระหว่างนี้ความประพฤตินั้นทั้งหมดที่เรากระทำมาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณแต่เราจะเว้นจากความประพฤตในพบน้อยพบใหญ่ในล่วงกับที่ผ่านมาเสีย จะบอกเฉพาะความประพฤตินายกับนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจงฟังเราในการใดเราเป็นดาบทชื่อว่าอากิตติเนนะก็คือในการใดเราเป็นดาบทชื่อว่าอากิตติเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อันว่างเปล่าเป็นสถานที่เงียบสงัดปราศจากเสียงอันอืออึง น, นะนะ ก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะส่วนรายละเอียดได้ยินว่าในอดีตกาลในพัฒกับแต่กับนี่แลเมื่อพระเจ้าพรมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณาสีพระโพธิสัตว์นี้อุบัติในตระกูลพราหมาหาสานท่านมีสมบัติอยู่80โกธท่านมีชื่อว่าอากิติเมื่ออกิติเดินได้น้องสาวก็เกิดน้องสาวมีชื่อว่ายสวดีแปล ว, ว่าหญิงผู้มียศนะนะ ตอนที่อากิติดาบทอกิติมีอายุได้15บปีก็ไปเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักกิลาพอเรียนวิชาสำเร็จแล้วก็กลับมาครั้งนั้นบิดมารดาบิดาของอากิติก็ถึงแก่กรรมอากิติก็ทำชาปนากิจชาปนะก็คือเผาอะนะเผาพ่อแม่เรียบร้อยวันเวลาผ่านไปสองสามวันก็ให้ผู้จัดการมรดกมาตรวจตราทรัพย์สินน ผู้จัดการมรดกก็มาเล่าให้ฟังว่าทรัพย์สินส่วนของมารดามีประมาณเท่านี้ส่วนของบิดามีประมาณเท่านี้ส่วนของปู่มีประมาณเท่านี้นะเ น, นฟังก็เลยเกิดความสังเวชสังเวชแปล ว, ว่าสลดใจเนี่ยนะทรัพย์นี้เท่านั้นยังปรากฏอยู่แต่ผู้จัดหาทรัพย์มาไม่ปรากฏไอคนที่สแสวงหาทรัพย์มาไม่เหลือแล้วเหลือแต่ทรัพย์ ท่านเหล่านั้นทั้งหมดละซัพย์นี้ไปแต่เราไม่ไม่แบบท่านหรอกเราจะเอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยเพ่อ ไ, ไปกราบทูลให้พระราชาตีกลองเป่าประกาศว่าผู้มีความต้องการทรัพย์จงม า, มายังเรือนของท่านอากิตติบัณฑิตนะผู้ใดต้องการทรัพย์มาเอาเถอะอกิตติบัณฑิตนั้นบริจาคมหาทานตลอดเจวันเมื่อบริจาคอยู่นั้นทรัพย์ก็ยังไม่หมดนะให้ทานเจ็วันแล้วยังไม่หมด ก็คิดว่าประโยชน์อะไรด้วยธนะกรีธานี้แก่เราประโยชน์อะไรมัวแต่มาเล่นซัพ์อยู่นี่แหละกรีธาแล้วว่าการเล่นน่ะนะมัวเล่นอะไรอยู่กับซัพ์เหล่านี้ผู้มีความต้องการจักรับเอาไปตามชอบใจใครอยากได้เอาไปเลยว่า ง, งั้นก็เลยเปิดประตูเรือนแล้วก็เปิดห้องเก็บซัพ์สมบัติอันเต็มไปด้วยเงินและทองก็ประกาศว่าชนทั้งหลายจงเอารั์ที่ให้ที่เราให้แล้วเถิด ก็เรียกว่ายกให้หมดเลยใครอยากได้อะไรก็ขนเอาไปก็แล้วกันทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมท่านจึงทำแบบนี้ได้เรียก ว, ว่าเปิดบ้านเปิดช่องให้ทานได้หมดเลยทำได้ยังไงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตท่านสมาทานว่าท่านจะให้เหมือนหมอคว่า สมาทานไว้แล้วยา ว, ว่าแต่ของภายนอกเลยแม้แต่ชีวิตยังให้ได้เดี๋ยวข้างหน้าต่อๆไปจะมีอีกพรานอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างว่าเจตนาในการให้ของท่านนี่มีกำลังมากเป็นเจตนาที่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเพื่อบ่มโพธิญาณท่านก็ละละ จากบ้านจากเรือนไปไม่อะไรในทรัพย์มันนะวงสาคณาญา จ, จะร้องให้ยังไงก็ไม่สนใจก็พาน้องสาวออกจากกรุงพาราณสีที่จริงตอนแรกก็บอกเขาขอยกสมบัติทั้งหมดให้น้องน้องก็บอกโอ้ยฉันไม่เอาหรอกมกันก็เหมือนกับพี่ทมน้ำลายแล้วฉันไม่อ้าปากรับร้น่นะก็น้องก็เลยก็ไม่เอาก็ชวนกันบวชทั้งคู่ก็ออกจากเมืองพาราณสีข้ามแม่น้าไปสองสามโย ก็ไปบวชสร้างบรรณศาลาอยู่ณนภะูมิภาคที่น่ารื่นรมตอนที่ท่านอากิติเนี่ยนะข้ามแม่น้ําตรงไหนท่าตรงไหนเป็นที่ข้ามก็เรียกว่าท่าอากิติตั้งชื่อเป็นเกียรติไว้เลยว่าท่าของท่านอากิตินะฮะพวกมนุษย์ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองหลวงได้ฟังว่าอากิติบัณฑิตบวชแล้วต่างก็มีใจจดจอ่อด้วยคุณธรรมของอกิติดาบดจึงพากันบวชคือเขาบวชแบบสละทรัพย์ขนาดนี้เนี่ยนะ ถ้าไม่มีความตั้งใจอย่างแท้จริงถ้าไม่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยจะสละได้ขนาดนี้หรือคนก็เลยตามบวชตามอากิจติดาบทก็เลยมีบริวารมากลาบสการะเป็นอันมากก็เกิดขึ้นดุดพุทธุบาทการแต่ว่าอากิจติเนี่ยได้รับการบูชายกย่องสเสริญเครื่องสการะเนี่ยมากเท่ากับสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่งั้นท่านอากิติพระโพธิสัตว์ก็คิดว่า ลาบและสักการะเป็นอันมากนี้แม้บริวารก็มากแม้กายาวิเวกก็ไม่ได้ะก็มัวแต่ว่าคนโน้นก็เอามาถวายก็คอยแต่รับเครื่องวรรณการเนี่นั่นแหละคอยแต่รับเครื่องสักการะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยถ้าหากว่าเราอยู่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยไม่ได้ลี่เล่นเลยเราควรจะอยู่แต่เพียงผู้เดียวก็เพราะว่าความที่ท่านเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งใจของท่านก็น้อมไปในวิเวก จึงไม่ให้ใครๆเนี่ยรับรู้ท่านก็ออกไปแต่เพียงผู้เดียวอันนี้แอบหนีไปคนเดียวนะไม่ให้ใครรู้สักคนก็ น, นี้ไปจนถึงแควนทมินตามลำดับไปอยู่ในสวนใกล้ท่ากาวีระไปอยู่ที่นั่นก็เจริญฌานแล้วก็ทำอภิญญาให้เกิดไอความที่ท่านให้ทานแบบมอความมาเนี่ยนะบุญเหล่านั้นก็ไม่ได้เลอะหลงลืมอะไรใช่ไหม ดวงที่หนึ่งก็ตามให้ผลนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนลาบสการะใหญ่ก็เกิดขึ้นแก่ท่านคือถ้าดคนได้ยินชื่อท่านไปอยู่ที่ไหนคนก็จะแฮ เ, เอาไปให้ท่านก็สังเกตดูนะแม้กระทั่งว่าแมทั้งสมัยนี้นะนะนะหลายท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนที่ลาบสการะท่วมทับเลยนะแค่บอกว่ามองดูอะไรก็ทรัพสมบัติก็จะเกิดขึ้นหมดแล้วเพราะความที่บุญบุญความที่เขาทำบุญมาเยอะเนี่ยนะนะนะยิ่งคนที่ มีทรัพย์ขนาดนี้เราไม่แปลกใจเพราะท่านให้ทานแบบหม่อความเราจะเราไม่คิดหรืว่าดวงที่หนึ่งมันจะไม่ให้ผลได้ยังไงใช่ไหมการให้ทานเนี่ยนะผู้ใดยิ่งให้ก็ยิ่งมีมากอย่าที่รู้กันว่าผู้ใดปรารถนาซัพย์ผู้นั้นก็จงให้ซัพย์แล้วจับมีทรับเนี่ยนะเพราะว่าเพิ่มเสียงอยีกนิดนึ่เนะพราะอะไรก็เหมือนอย่างว่าใครที่อยากได้ เมล็ดข้าวเยอะๆเนี่ยนะเขาจะทํำยังไงสมมติเรามีเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่กระบงหนึ่งเราอยากมีข้าวสักเป็นตันเนี่ยเราทําไงก็ต้องเอาเมล็ดข้าวที่มีอยู่เนี่ยไปหว่านลงเพาะปลูกแล้วก็มีข้าวมาเองพะมีข้าวก็เพาะปลูกไปเรื่อยๆอย่างเนี่ยนะอันนี้เป็นทําให้มีเหตุให้มีข้าวมากมายฉันใดผู้ใดประสงค์ที่จะมีทรัพย์ก็คือมีการลงทุนเพื่อให้มีทรัพย์มีทรัพย์อาศัยทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแหละให้ทาน นะให้ทานเนี่ยการให้ทานเป็นต้นเป็นเหตุให้มีทรัพย์เนี่ยนะมันยิ่งทําบุญมากก็ยิ่งมีมากเขามารู้จักคนหลายคนที่ลักษณะเรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวแบบไม่มีอะไรหมายความว่าแทบเรียกว่าภาษาชาวบ้านสมัยไหนก็เหมือนจับเสือมือเปล่าเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าตัวเปล่าเนี่ยออกมาแต่ความที่เป็นนักทําบุญมากเนี่ยนะทำบุญอย่างไม่ใช่ทําบุญอย่างเดียวก็มีประโยชน์คะในการลงทุนด้วย แล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จนมีจนดูแลไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะไม่ใช่รู้จักคนเดียวด้วยนะที่ที่เป็นในลักษณะนั้นก็ไม่ได้มีมาแต่อ้อนแต่ออกอะไรนะแต่เพราะความที่เป็นนักบริจาคเรียกว่าเป็นประเภทมหาฐานะบดีเลยแหละมีอัธยาศัยชอบให้อันวันไหนไม่ได้ให้ใจก็เดือดร้อนเหมือ น, นมีความสุขกับการให้แล้วก็ให้ไม่มีมีแต่คิดจะให้มีแต่เอ๊ะทำยังไงจะได้ให้มากกว่าเดิมขึ้นแต่ว่า มีมากกว่าเดิมอีกนะก็ลเลยเชื่อว่ายิ่งให้ก็ยิ่งมีมากเหมือนกันท่านอากิติก็เหมือนกันท่านเนี่ยที่ท่านมีมากอย่างนี้ก็เนี่ยวะท่านมีแล้วท่านก็ให้มีแล้วก็ให้มีแล้วก็ให้เพราะชีวิตก็อยู่แต่ด้วยการให้ก็อยู่แต่ด้วยการให้มัานคนก็เลยมองว่าท่านคือนาบุญท่านก็เลยยิ่งเอามาให้ท่านมากทีนี่ว่าโอ้โหเราก็ไม่ได้มาหาของพวกนี้นะ ก็เลยไม่เอาแล้วก็เลยหนีไปไปเจริญฌานพอได้ฌานอภิญญาได้อีกคนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านนี่ก็เอา้ามาให้อีกอย่า น, น, นีลาบสการะใหญ่ก็เกิดขึ้นอกิตติดาบดก็รังเกียจลาบสการะใหญ่นั้นก็เลยเหาะหนีไอ้ทีนี้เหาะไปในแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังไงคนก็รู้จักก็เลยหนีไปอยู่ที่เกาะทวีปนี้ปแปลว่าเกาะวันนี้ไปอยู่ณนะการะทวีปก็คือเกาะพออยู่ ในกาละทวีปก็หนีไปอยู่ที่อหิทวีปก็บอกว่ากาละทวีปสมัยนั้นมีชื่อว่าอาหิทวีปกา็ากว่าเกาะเนี่ยงูเยอะอากิติดาบทก็ไปอาศัยต้นมากเม้าใหญ่อยู่ณที่นั้นก็สร้างบรณารณาศาลาเนี่ยบรรณะก็ปล่ยใบไม้ก็คือศาลาใบไม้พักอาศัยอยู่เพราะความที่ท่านเป็นผู้มักน้อยจึงไม่ไปในที่ไหนๆบริโภคผลไม้ในการที่เป็น หมายความว่าถ้ามีผลไม้ก็บริโภคผลไม้เมื่อไม่มีผลไม้ก็เอาแต่ใบนั่นแหละมาต้มน้ํานะอันนั้นมาต้มชงอันนะก็เอาใบเนี่ยมาต้มแล้วก็กินทั้งน้ําทั้งใบนั่นแหละก็ใช้เวลาที่เหลือน้อมไปด้วยฌานและสมาบัติคือก็อย่างว่านะท่านก็ไม่ได้ใช้เน้นใช้แรงกายอะไรท่านก็อยู่แล้วก็เจริญฌานแล้วก็ได้ฌานอยู่แล้วก็มีความสุขในการเข้าฌาน ใบหมกักหมักเมาเนี่ยนะลูกมันเท่ากับพริกไทยนะลูกมันเหมือนกับพริกไทยดำๆเหมือนกันนั่นแหละนะลูกมันเหมือนพริกไท ย, นะ ล, ไทยลูกมันเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆก็ไม่ได้เปรี้ยวเท่าแบบมะขามป้อมนะแต่รสชาติก็คลา้คลายคล้คืองกันแต่ลูกเท่ากับหมักเม่าใบก็ทานได้เนี่ยนะใบก็เปรี้ยวนิดๆเนี่ยนะเปรี้ยวๆก็กรอบๆดีมาชอบชอบสมัยเด็กๆนะไปป่าก็ไปเก็บแต่ใบมักเม่าลูกมักเม่านี่แหละกิน ใบก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใบเท่าใบฝรัง่งเนี่ยนะในะบประมาณเท่าใบฝรังร่งฝรั่งฝรั่งแบบไม่ใช่ฝรั่งพันนะนะฝรั่งธรรมดาเนะี่ยมันใช้เวลาก็อาหารก็มีแต่ใบหมกักเม่านี่แหละกับถ้ามีลูกก็กินลูกไปถ้ามีใบก็กินใบไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยอย่างนี้ด้วยเดชแห่งศีลของอกิจติตาบท บรรดุกำพลศิลาอาัดก็คือบรรดุกมพลศิลาอาดหมายว่าที่นั่งของเท้าสั ก, กะเนี่ยแสดงอาการเร่าร้อนปกติเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเท่นหินพอนั่งลงไปแล้วมันก็ยุบลงเหมือนก็เหมือนกะับเบาะนะเบาะดีๆเบาะดำๆนะที่นั่งไปแล้วมันก็ยุบลงทีนี้ด้วยเดชแห่งศีลของท่านเนี่ยไอ้เบาะนี้มันเกิดร้อนและแข็งกระด้างขึ้นเท้าสั ก, กะคือพระอินทร์ก็รำพึงในใจว่าใครเนอประสงค์จะให้เราเนี่ยเคลื่อนไปจากที่นี้ ท้าพระเนธเห็นอกิติบัณฑิตก็คิดว่าดาบทนี้ประพฤตบะที่ทําได้ยากท่านทําทั้งหมดเนี่ยท่านทําเพื่ออะไรหนอหรือท่านทําปรารถนาจะเป็นเท้าสักะเนี่ยจะมาแย่งบัลลังก์เรามั่งนะทำบุญจะได้มาเกิดเป็นเทวดาแย่งที่นั่งเราหรือเปล่าหรือว่าต้องการอย่างอื่นกันแน่เดี๋ยวจะไปทดลองดาบทรือศีนั่นดูจริงอยู่ดาบทนี้เนี่ย มีความประพฤติทางกายวาจาใจบริสุทธิ์สะอาดไม่อะไรในร่างกายและชีวิตบริโภคใบหมากเม้าชงน้ำถ้าหากว่าท่านปรารถนาความเป็นเท้าสักกะก็จะให้ใบหมกักเม้าชงน้ำของตนเนี่ยแกเราถ้าหากว่าไม่ปรารถนาก็จะไม่ให้คืออัธยาสาัยอย่างหนึ่งของคนที่จะเกิดเป็นเท้าสักกะหรือเกิดเป็นพระอินทร์ได้เนี่ยนะคือนักให้ถ้าไม่ให้มากๆจะมีบริวารมาจากไหนใช่ ไอ้ท่าเหตุที่ทำให้มีบริวารมากมากก็คือการให้ก็คือเลี้ยงลูกน้องได้อย่าไปลักษณะบางคนบอกโอยอิจฉาทำไมคนเ็ามีลูกน้องเยอะอ่ะก็เขามีจ่ายลูกน้องอ่ะนะก็เนื่องอยากเข้าเลี้ยงลูกน้องได้เขาจึงมีบริวารมากนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่จะเป็นพระอินทร์ได้ก็ต้องมีอัธยาศัยในการให้ถ้าเราไปนะอกิติให้ใบไม้นั้นแกเราแสดงว่าต้องการเป็นเท่าสักกะถ้าไม่ให้ไม่ใช่ เนีพระโพธิสัตว์ในวันนั้นก็ไปรินใบหมักเมาออกก็คิดว่าจะบริโภคน้ำนะใบหมักเมาให้มันเดี๋ยวรอให้มันเย็นซะหน่อยก่อนก็นั่งรออยู่ที่ประตูประตูบาารณาศาลาครั้งนั้นเท้าสักกก็แปลงรูปเป็นพราหม์ผู้มีต้องการด้วยผกษากษาก็คือเรียกว่าสแสวงหาอาหารก็ไปยืนข้างหน้าพระดาบทหมาย ว, าว่ามีเป็นลักษณะขอทานมานะเป็นผู้ที่สแสวงหาอาหารมาเนี่ยพระมหาสัต เห็นพรามนั้นก็ดีใจคิดว่าเป็นลาบของเราแล้วเนอะนะตอนที่มีอาหารกำลังทานอาหารอยู่เนี่ยนะเห็นคนมาขออาหารเนี่ดีใจไหมเพราะวหลายคนเนี่ยเวลานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วเห็นคนมาขออาหารนี่ยดีใจเลยนะบอกลาบแปลว่าได้ลาภเนี่ยแปลว่าได้เป็นการได้ของเราแล้วเนอะเราได้ดีแล้วเนอะเราไม่ได้เห็นยาจกมานานแล้วเนอะคือเกิดมามีแต่ให้กับให้กับให้เนี่ยนะเพราะไม่ได้ให้มานานนี่แหม เนี่ยไม่เคยเห็นคนมาขอมานานยาจกก็คือผู้ขอนั่นแหละไม่ได้เห็นผู้ขอมานานแล้วคิดต่อไปว่าวันนี้เราจะยังความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดแล้วจะให้ทาน น, นะจริงบาลีก็ทับทับศัพกันอยู่นะ น, นะให้กับทานนี่มันอันเดียวกันันนี้เราจะให้ทานก็เหมือนกับเล่นกีฬาก็เหมือนกับแปลว่าเล่นเลนะ่นนะนะก็ไทยกับบาลีบางทีก็บางทีใช้คู่กันเลยนะแก่นสานเนี่ยนะก็แก่นกับสารงานเดียวกันนั่นแหละ เนี่ยก็ให้ทานก็คือให้อันเดียวกันนั่นแหละก็เลยบอกว่าความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดด้วยเราจะให้ทานก็เลยถือเอาภาชนะที่มีอาหารเนี่ยสุกไปเวลาที่จะให้อาหารเนี่ยก็นึกทานบารมีนึกถึงทานบารมีที่คำใช้คําว่านึกถึงทานบารมีก็คือนึกถึงว่าการให้อั น, นี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ ตั้งว่าการให้ครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้การให้แบบนี้เขาเรียกว่าฐานบารมีพอขณะที่นึกไปอย่างนั้นก็ใส่ลงในภิกษาภาชนะของพราหมณ์นั้นจนหมดคือเขาถือกระเบื้องมาขอนะถือกระเบื้องมาขอเพราะฉะนั้นพอเห็นปั๊บก็ยกใบหมักเม้าก็นึกถึงว่าการเจตนาที่เกิดจากการให้ใบหมักเม้าอันนี้จะเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าให้แบบหมอคว่ํานั่นแหละ ให้แบบไม่เหลือเลยให้จนหมดเท้าส ก, ก่ารับภิกษานั้นน่ะไปได้หน่อยหนึ่งก็อันตรธานหายไปพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ภิกษาแก่พราหมณ์นั้นแล้วก็ไม่นึกถึงที่จะสแสวงหาอาหารอีกยังเวลาผ่านไปน้อมไปล่วงไปด้วยปีติและสุขเท่านั้นนะปีติสุขเหล่านี้ได้จากอะไรท่านเนี่ยให้ทานมามากท่านนึกถึงจารยานุสติท่านก็เกิดปีติได้ท่านเป็นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติอยู่แล้ว ท่านจะมีความสุขอยู่ด้วยฌานสมาบัติก็ได้วันแรกผ่านไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมวันที่สองท่านอากิติดาบทนั่งอยู่ที่ประตูบรรณศ า, าลาก็ต้มใบหมากเม่านั่นอีก <c oughs> เมื่อว่าคิดว่าเมื่อวานนี้นะเราไม่ได้ทักคินายะบุคคลวันนี้เราจะได้อย่างไรเนาะเกอเอเมื่อว่าจริงๆน่าจะได้นะเมื่อวานเนี่ยเราได้ทักคินายะบุคคล วันนี้เราจะได้อีกหรือเปล่าเนาะใจก็คิดนึ่งอ่ะ น, นะก็ดีใจแล้วเมื่อวานได้ให้ไปแล้ววันนี้จะมีคนมารับอีกหรือเปล่าเนเาะพอคิดอย่างนี้เท้าสักกะก็มาเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์ก็ให้ภิกษารเนี่ยนะก็ให้อาหารนั้นไปปล่อยเวลาให้น้อมล่วงไปเรียกว่าใช้เวลาอยู่ด้วยปีติและสุขวันที่สามก็คิดอีกว่า น่าปลื้มใจเนาะเป็นลาบของเราแล้วเนาะเราประสบบุญมากเนาะใครให้ทานแล้วมานั่งดีใจกันอย่างนี้มีบ้างไหม น, นะหลายท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เออก็ให้ไปแล้วอะ่ะแต่ว่าไอเจตนาที่การให้เขานึกถึงบุญที่เขาได้ให้ไปไม่ได้นึกถึงของที่ให้นะแต่นึกถึงเจตนาที่ได้ให้โอ้ยเรานี่ได้ดีแล้วเราประสบบุญมากเพราะบุญไม่ใช่ตัววัตถุใช่ไหย ก็นึกถึงตัวบุญคือตัวเจตนาที่เกิดจากการให้ว่าเราได้บุญแล้วหากเราได้ทักขนินายะบุคคลผู้รับทานอย่างนี้นะตลอดเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราก็จะให้อย่าวากวันสองวันเลยมีผู้มารับอย่างเงี้เป็นเนื้องเราก็จะให้ได้วันที่สามดาบทหรือสีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันที่วันที่หนึ่งที่สองก็นึกถึงว่าบุญเนี้ยจงเป็นไปเพื่อ สัพพัญยุตยานวันที่สองสามก็เหมือนกันแต่ว่าวันที่สามอธิษฐานชัดเจนว่าทานนั้นเราให้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ปรารถนาลาบสการะและความสันเสริญไม่ได้ให้เพราะอยากให้เพื่อเพื่อให้มีทรัพย์มากๆก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือให้เพื่อให้คนเอามาบูชาเคารพนับถือเราก็ไม่ใช่ให้เพื่อคนยกย่องสันเสริญก็ไม่ใช่ให้เพราะปรารถนาจากักรพรรดิสมบัติก็ไม่ใช่ แล้วเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระอินทร์ด้วยไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพรมไม่ได้ปรารถนาจะเป็นสาวกไม่ปรารถนาเป็นพระประเจกโพธิยาณแต่ที่เราให้ทานเนี่ยนะขอที่แท้ขอการให้ทานของเราในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพันยุตยานเถอดนะเขาเข้าใจชัดเจน ว, ว่าตัวเจตนาตัวบุญกุศลที่เกิดจากการให บุญกุศลอันเนี้ยจงเป็นปัจจัยแก่สัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานจริงๆแล้วเป็นชื่อของอะไรนะอรหัตตมัค ก, กับเป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมป ah ah ยุตขออภัยคำว่าโพธิญาเนี่ยนะโพธิญาเนี่ยเป็นชื่อของสองอย่างนะคือหนึ่งอะไรอรหัตตมัคกับสัพพัญญุตยานมันขอการให้ทานของเราครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่อรหัตตมัคการให้ทานอันนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อ สัพพัญยุตยานการให้ทานเพื่อปรารถนอาอรหัตธรรมข้าเรียกว่ากุศลขอกุศลอันนี้จงเป็นเครื่องอุปการะแก่กุศลระดับอรหัตตธรรมท่าบอกว่าเจตนาที่เกิดจากการให้ทานขอกุศลอันนี้จงเป็นปัจจัยแก่มหากิริยาญาณสัมปยุตเพราะสัพพัญยุตยานเป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมปยุตที่อย่างรู้อดีตอนาคตทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือ